บ่านเมืองก็เจริญขึ้น ท, ท, ทุกทีทุกทีที่เห็นตั้งแต่มามาอยู่กับหลวงพ่อใหม่ๆเครื่องดื่มนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าไปคิดเห็นอาจารย์สมศักดิ์ไปเบื่อปลาเลื่มอยู่บุหโฮมโด้วยกันอุ้ยยัาไปชันมากนะระวังหน่อยปลาเลื่มเขาบอกว่าเป็นปลาเบือเ่อมองท่านก็เอาสุด เอาสุดๆเลยเอามากๆเลยโอ้ยอาเกียนถ่วงหลวงพ่อก็ไปหาซี่เครื่องดืง่มเปบซี่ใบเลียกรีนสปอร์ตไม่มีเดินตามทางไปโคกเราหัวส่วกไปหมดไม่มีโอ้หายากคนคนเบื่อก็นอนรอแรอย่อยู่อย่างนั่นแหละนี่เรื่องเรื่องครบฉันอาหารไม่ ไม่ละวัตละไม่ละมัดระวังนี่หันมาพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อว่าพวกเราโชคดีเผอินมาเจอหลวงพ่อเชียนไม่งั้นก็คงไม่ได้มาเจอหรอกเพราะว่าหลวงพ่อจะไปหาหลวงพ่อพุทธาธ ม, มีคนไปบอกข่าวหลวงพ่อมาหาบุตรทองมาชายียร์เชนเพราะว่า หลวงพ่อจอยกลับมาบวชอีกแล้วสินี่หลวงพ่อบวชครั้งที่สองนั่นนี่ครั <c oughs> ้งแรกเขาจับเอาไปเป็นทหารเนื่องจากไม่ได้คัดเลือกไปคัดเลือกมันจบไปป่วยกลางทางเลยไปแจ้งป่วยปีที่สองก็ไปป่วยกลางทางไปแจ้งป่วยไ ป, ท, ไไปที่สามไม่มีไม้ปีที่สามนี่ไม่ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่เห็นไมา้เลือกของเขา ปีที่สี่นี่ก็ปีที่สามเขาไม่มีไหมเรียกก็น่าจะไปรายงานตัวบอกว่าหาจากโรคจากภัยแล้วก็ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มม่ไปรายงานปีที่สี่เขาก็ออกไปเป็นินทหารพอกลับมา <c oughs> ไปบอกหลวงท่านเจ้าคุณทุกพ่อเจ้าคุณก็บอกว่าอา้าวตามบรรยาสายไม่ไม่เรียงก็ไม่เลี้ยนท่านว่าไปหาอุปชาคนเก่านั่นแหละอยู่อารามหลวงวัดธาตุ ฝั่งบึงแก่นนครนะก็กลับมาอยู่บ้านบวชมาบวชอยู่นี่แหละพ็ไปบวชนู่นแหละแต่ ว, ว่ากลับมาบ้านพ่อหลังผู้ดินเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็เลยไปอยู่ให้เขาพ่อมหาชายยันไปบวชเขาให้หลวงพ่อมหาบตทองมหาบุตทองก็สัตตหะไปหากลางพรรษาไปคุยกันหลวงพ่อมาว่า ผมไปอยู่แล้วกับหลวงพ่อพุทธทานท่านก็ไม่เป็นนักป่าจริงแหละไม่งงง่ายสอนให้เกิดความฉเฉลียวฉลาดแต่ว่าเราจะต้องขยันขันแข็งดูหนังสือนะ้หาเตรียมพี่แหละพวกเราโอ้มันก็คนเฒ่าคนแก่ดูหนังสือก็ปวดตาเ <c oughs> ดี๋ยวพอมหาชวนมาทางลุมน้ำขงบอกว่าไปเห็นหลวงตา เ <c oughs> จีจ๊ยเจเดี๋ยวว่าไม่งงง่ายดอกเพราะไ ป, ไ, ปไปเจอมาแล้วไปทุลองลองก่อนถ้าไม่เข้าใจจริงไปหาหลวงพ่อพุทธทายก็ได้ก็เลยมาทางนี้เห็นรูวพมหาท่านสัตยาไปไปบอกว่ามาอยู่ทางนี้ก่อนนาอนาวจึงว่ามาเห็นตั้งแต่สมัยโน้นสมัยาการสวมใส่สบเบือบ ปาเ่มน่มสมัยนั่นแหละแถวฝั่งโคงจะไม่เบิกเป็นทางใหญ่ๆรถกับเสือโค้งไปเจอกันที่ เ, เขาเขาเรียกหม่กโกดู <c oughs> ไปเจอกันเสือมันก็ไม่รู้จะหลบไปยังไงถ้ากระโดดโลงโขงมั น, มนกม็มันกระโดดขึ้นหน้าผามันเลยม้วนลงมาเลยรถก็เหยียบเอาไปเลย เสือตัวใหญ่รถรถโดยสารก็เหยียบ ม, มาอยู่แต่ ว, ว่าเจ้าของรถโดยสารคิดว่าเขาจะเอวลากอยู่แถวไหนแถวนั้นไปถึงบ้านไปกวนเอาเพื่อนเพื่อนมาแบกปืนมาหมดนั่นแหละคิดว่าเสือไม่จะนอนอโซงสารอยู่แถวแถวนั้ น, ม, นมันมันไม่อยู่พากันตามลงคงแต่ ว, ว่า ฟัง น, น้ำมาไหลเขี้ยวใกล้ๆฟังลาวทั้งนั้นก็ไปเขากดตามไปโอ้มันก็ไปเนะี่ยมันก็เก็บนะรถเหยียบมันนะไปไปบอกว่าโอ้มันลงน้ำแล้วไม่ได้หรอกมันฟังลาวว่าก็เลยก็เลยถอยกลับตัวนั้นนี่ไอโกกดูนี่มัน เสือกับรถมันไม่มีที่หลีกกันนะมันแคบที่สุดทางสมัยนั้นยังไม่เบิกอืาพวกเราปฏิบัติทรรมช่องแคบนี้ไม่น้อที่เราจะหลบหลบให้มันเจองพวกเราเป็นนักโลกของภาษาสดาบทสวยนี่ทั้งคนเลื อ, อเอาใจบทสวดดีอรู้กายนะพวกเราควรศึกษาให้รู้าย เมื่อกี้นี้ก็ทั้งสร้างจังหวะทั้งดูาภาพที่คณะครูบาอาจารย์เขาถวายเรื่องบำบัดรูปโลกโลกนี้โลกบางอย่างบางประเภทเราก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลวิธีทมต่างๆนี่เป็นวิธีรักษารูปโลก โลกที่มันมาทรมานทางร่างกายเราทำเองเราแก้ไขเองนี่ยังยังอยู่ภายนอกนั่นยังเป็นปาหิฐาปาหิฐาทาทาภายนอกอก็ศึกษาไปเถอะถึงโลกภายนอกมันจะมากมันจะกว้างไกลยาวไกลโลกภายนอกกว้างไกลใครๆรู้ที่เราว่ากัน ติดป่ามานานแล้วนี่ก็ศึกษาเอาเถอกดีนะมีครูมีอาจารย์มาแนะนำถ้าทางหลวงพ่อก็สร้างจังหวะเฉยๆให้รูจ้รจักลูจกจริงๆรู้จักจริงๆแล้วก็มีมีวิธีบำบัดให้มันเพราะว่าลูกมันมีโรคบำบัดด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้แหละเรานั่งอยู่นี่เกิดภัยประเภณีนั่นมาโอลูกวนอยู่เหียว่าภัยนี่ มันเกือบจะทุ ก, ท, กทุกท่านเลยแหละญาติธรรมผู้มาประพฤติธรรมร่วมกันัยมาถึงแล้วตอนเช้า ก, ก็มาถึงตอนเย็นก็มาถึงกลางวันหรือเยงก็มาถึงแต่ เ, เราจะมีตาคมคมเห็นภัยไหมต้องให้เกรงนะนักลบอาวุธของเรากำลังสะสมเราเป็นนักลบเตรียมพร้อมพษาศาสดาก็ให้ไว้ยิงแม่นย่ำนะ่ะฆ่าไวไว จนมีบทสวดว่าโลกั ส, สะปาปูปิิเลสคาตะโกเป็นผู้ค่าเสียซึ่งบาปและอุปจิเลสอาวุธของเรานี่ไม่ไม่ได้พายหนักบาหนักไรอาวุธของเราแต่ว่าฉับไวแม่นยำทั้งยิงไกลยิงไกลยิงไกลก็ยิงไปโน่นและยิงคืนหลัง หรือยิงออกไปข้างหน้านูน่นเพราะฉะนั้นพวกโยมจะได้ยินครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมก็ชอบจะบอกหลวงหน้าว่าเอออนาคตระวังนะอนาคตอย่าไปคิดอดีตช่างมันปัจจุบันทําให้ดีเขาเขาเตือนให้พวกเราแต ว, ว่าพวกเราชอบยิงไกลไกลไกลไปทางหน้าไกลไปทางหลังทางหน้าก็คืออนาคต อางหลังก็คืออดีตอย่าให้มันเปืองอาวุธเอามาใช้งานจริงๆใช้ทีไรก็ได้ผลทุกทีผลที่มันเกิดขึ้นมางอกงามขึ้นมาให้เราพิสูจน์ได้พิสูจน์ให้ตาเห็นย ะ, ะจะนั่นแหละเดี๋ยวว่าตาตาของเรามันมีสองตาตาตาดูของอยากนี่ก็คือมังสะจกสักษุ เดี๋ยวนี้หลวงพ่ออยู่สูงกว่าเพื่อนมองเห็นครูบาอาจารย์หมดมองเห็นญาติโยมญาติธรรมทุกท่านหมดนี่มองด้วยตาเนื้อมองสายจักสุดเห็นเห็นหมดทุกท่านนั่นแหละแต่ว่าพวกโยมทีเป็นเจ้าของเรือนร้าก็พยายามให้เห็นภัยอีกทีหนึง่งภัยมันมาคูกคา ม, มันมาอย่างไร มันมาข้างหน้านข้างหลังมันมาถึงแล้วเราเข้าไปจับเข้าไปสังเกตอาการไหมที่เรามีบทสวดว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้อาการกายก็เป็นลูปโลกเหมือนกันนะถ้าเราไม่เข้าไปบาบัดบรรเทา เขาไปทำให้มันอ่อนตัวเบาบางแจางคายลงมันก็เล็ดงานเราเพราะว่าน้ำน้ำหนักของเรานี่มันไม่น้อยอาหารการขบฉันมาตั้งแต่วานี้ก็ยังเผาทานไม่หมดเพราะว่าคุณเท่าคนแก่ไฟเผาอาหารพวกประเภทยย่อยอาหารนี่มันก็ป่อนกาลังลงมากอาหารประเพีนั้นเรากินเข้าไปเรารับปรทานเข้าไปบริโภคเข้าไปบางทีมันก็ ตีแปดของมีพิษสลวงไปด้วยแหละบางทีธาตเผาไหมก็จัดการช่วยเราเลยไม่ได้รับภัยเพราะฉะนั้นระวังให้ดีไฟธาตไม่เผาผ่านไม่ย่อยมันอืด อ, อาด จ, จนถึงวันใหม่แล้วอาหารในวันใหม่จะมาถึงอยู่แล้วแต่ของเก่าก็กยังเผาไม่หมดนี่ก็มันจะแย่ต้องเผาให้หมด ให้ได้รับประโยชน์จากการขบการฉันจริงๆ<อ>เครื่องจักรกลภายในเขาก็ทํางานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเหมือนกันนะพูกเผาก็มีหน้าที่เผาเผาผ่านอยู่อย่างนั้นแหละส่วนไหนเผาผ่านเสร็จ ก, ก็ส่งไปให้ปอดปอดก็รับช่วงอีกอ้าวสมมาเถือน้ําเหลืองซึ่งพวกท่านกันกวามได้มาจากอาหารการขกฉันก็สมงมาเถือ พอส่วไปถึงปอดปอดก็จัดการจัดการจัดการแต่เพือ่อแต่เพื่ออกให้ละเอียดหมดจุนงดงามแล้วกดส่งไปหาหัวใจอีกอหัวใจก็ทํางานมีการชุดมีการพักดันให้เกิดการไหลเวียนเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วสรารพันกา ในเมื่อเราไม่รู้จักขยับขยื่อนในเมื่อเราไม่รู้จักเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนเอเบิลเลือดมันก็ไปไม่ไหวถ้าผู้ใดหัวใจจะล้มเหลว อ, อยู่แล้วอ่อนมากอยู่แล้วถังดันถ้าเลือดไปติดค้างอยู่อย่างนี้บางทีดันไปก็ไม่ไหวไขมันมากมันดันไปไม่ได้มันจะทําโทษกับเราทีนี่ เห็นไหมล่ะเขาเอายางรัดอือหมาห้ำแมวขาดไปเลยแหละนี่เราไม่เชื่อก็ต้องเอายางรัดดึงมือดูชี้เอาสองข้อมือลัดตั้งแต่เช้าวันนี้แหละไปถึงบ่ายสองจะเป็นยังไงแดงก่ำขึ้นมาไหมเจ็บปวดขึ้นมาไหมลำคาดขึ้นมาไหมเราทดสอบอยู่ก็ได้เพียงแก่เลือดมันไปไม่ไหวมันก็จะทําลายเราอยู่แล้วนี่ต้องละมัดลร เพราะฉะนั้นอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกมันมันเป็นอย่างนั้นยังมีอยู่มากที่เรายังไม่ตามรู้ตามเห็นหมดร่างกายของเราก็หนักหกสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลแปดสิบร้อยก็มีนี่มันอันตรายดังนั้นอาหารบางอย่างเราก็กินดึกๆค ก, กขาครื่งกินไม่มีเวลาเวลา อ, อาหารประเภทนั้นไม่ไม่หกเหยเรีละ ไม่มีมดมีแมงมาตอมมาไตมาเกาะมาจับอืมก็ล่มอัศสารปัศสาสารนี่เป็นเอ่อเครื่องปรุงกายให้อยู่เขาเรียกว่ากายสังขารเราเข้าใจว่ากายสังขานี่เป็นก้อนใหญ่ๆนี่ทั้งหมดนี่มันยืนตัวอยู่ได้เพราะอะไรถ้าโทษทวนดูเขายืนตัวอยู่ได้เพราะการคอบการฉันการรับประทานการบริโภคยังไม่ ที่เหมือนอย่างลมหายใจลมหายใจเข้าออกอศาศาสระปะสสานนี่ก็เป็นอาหารแล้วกินกลางคืนก็กินเสียงดังสนั่นคนที่นอนกรนมไม่ได้ไม่มีเสียงดังจับจับจับๆเหมือนไออาหารกายที่เราต้องสอดเข้าปากเคี้ยว อ, อันนีเ้เสียชีวิตเขาถ้าถามไว้แล้วเขาบอกไว้แล้วอย่าฉันดัง ยุกยุ จ, จับจับสูสูชิดชิดไม่ต้องฉันอย่างดีอย่าให้หกเหี้ยเลีย่ยล่าเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานกล า, างของผู้ประพืติธรรมมาทำวัดก็มาทำที่ที่มาฟังเทศฟังท่านแสดงอะไรก็มาที่นี่มาเดินจงกรมก็มาที่นี่เพราะฉะนั้นการโขกการฉันพวกอาหารกายเท่าแล้วต้องละมันระวังให้ดีอย่าให้หกเหียเลี่ยล อาหารนี่เรา อ, อาหารที่ไม่มีเจตนาจะกินคือคือลงอส า, า, ส า, าสาสะปัสสาสะระไม่ใช่มันสมองสังการหลับก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอะไรจะไหลเข้าไปบนกับลมหายใจก็ไม่รังเกียจมีคนมา หายลงใกล้ๆ จ, จมูกก็คงจะสูดอยู่อย่างนั่นแหละอาจจะฝันว่าตัวเดินไปเจออะไรก็บอกไม่ด้แหละนะเพราะว่าเราหลับอยู่เรายังกินอาหารประเภทนั่นอยู่ลมหายใจก็เป็นอาหารนะเขาเรียกว่ากายสังขารแต่ ว, ว่าสังขารที่เราชักชวนให้เข้าไปสบงบและงับนี่คือประเภทจิตสังขาร จิตสังขารมันปุ้งอะไรล่ะมันหลายเรื่องปุ้งโกรธปุ้งเกลียดเกิดเชียดคุณเกิดอารมณ์ชุ้นเขียวและย่อห่อโหดถดถอยใจในการทํางานอย่างนี้อันสังขารอย่างนี้จิตมันวุ่นวี่วุ่นวายเกิดโกัวเกิดเกลียเกิดเคียดคุณเกิดอารมณ์ขุ้นเขียวอย่างนี้เราจะต้องเอาอาวุธออกมาใช้งานให้ได้ เราพูดใฉยเฉยเหมาเจริญสินเจริญสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาความจริงไม่อยากจะให้ว่าเจริญศินเจริญสมาธิเจริญปัญญาความจริงจริงว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาจะถูกกว่าเพราะว่า ถ้าว่าจะเลินสินเราก็คงจะคิดเห็นสินห้าบ้างละที่เห็นสินแปดบ้างละที่เห็นสินสิสินสองรอยี่เจ็ดไนวนนั้นมากแต่ว่าเขาก็อยากจะให้มันเป็นมหาเพราะว่ามันมากมหาสินไปจุลสินอีกเลยจะเห็นสินสติข้อเดียวนี่เป็นจุลสินไหมก็จะผิดนั่นแ่ะ ความจริงอยากจะเน้นให้นักปฏิบัติเห็นสินคือสติเนี่ยเป็นสิลที่มีอํานาจเป็นมหาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นมหาโดยจํานวนนะโดยจํานวนอยู่หรอกคือให้เก็บไว้มากๆพาวิตาพารีกตานให้สะสมมากๆรวบรวมกักตุนไว้มากๆเอาถ้ากักตุนไว้แล้วต้องเอามาใช้งานการใช้งานคือดึงเอาสติมาใช้งานนี่ จะเกิดปัญญาทุกครั้งจะเกิดปัญญาทุกครั้งจะเกิดปัญญาทุกครั้งตาสตินี้เพราะฉะนั้นสติเขาจึงถือว่าเป็นอริย ก, ก, ก, การตาสินสินไจจ่าฆ่าสิศินจัดการฆ่าสิสินตัวนี้เป็นศัตรูขั้วริ่กับโลกโกรธหลงมหาสติเนี่ยให้เป็นมหาณนะเอาไว้มากงมากนี่แหลสินที่นับว่าเป็นทั้งมารดาของธรรมทั้งหลาย พวกโยมแม่ทั้งหลายเป็นมารดาของคนลูกของเรามีชายมีหญิงเป็นมารดาของลูกของพวกแม่ก็มีลูกชายมีลูกหญิงแต่มหาสตินี่ไม่มีลูกชายไม่มีลูกหญิงแต่ท่านก็บอกว่ามหาสติเป็นมารดาแห่งธรรมทั้งหลายลูกของมหาสตินี่ก็เป็นธรรมระดับเครื่องมือในการ เ, เข้ามาปวดเปลือกแก้ไขดังนั้นแม่จึงไม่ได้ งอน ง, ออง่อขอร้องไม่ได้ออนวอนไม่ได้พูดได้คุยอะไรกันเลยกับลูกตั้งแต่เรายังไม่มาสู่การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ใครๆที่ไปเรียนปริยัติข้เห็นธรรมสองข้อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาสติกับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมมีอุปการะมาเพราะทางานทีมเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้น ในขณะที่เราเขึ้นมาถึงจิตานุปนัสสนานรู้จิตเห็นจิตนี่จะต้องรู้จักใช้สติเนี่ยทุกขั้นส่วนมากเราไม่เอามาใชา้ถ้าเราไม่เอามาใชาน้นี่เราไม่เหยียบแคมพานิพานหรอกถ้าเรารู้จักใช้สติทุกขั้น ก็จะได้เหยียบแขนปันิพานถ้าใครยังไม่ได้สัมผัสกับอารมณ์ิพานนี่ก็อย่าไปส่วนแรงแก้ปัญหาทางใจไม่ได้จะไปส่วนแรง <c oughs> เพราะนิพานนี่เขาไม่ใช่สังขารธรรมสังขารธรรมมันจะต้องพุ่งจะต้องแต่งอีตใจจะต้องขึ้นขึ้นลงลงจะต้องฟูฟูแฟบแฟบอยู่อย่ า, า, า, างนั่นแหละเศ้าเศร้ามองมอง เดียบบาปเดียบบุญไปอยนั้นที่จริงเร า, าผู้มีสติจนเป็นมหาสติและจะพืชประพิตําเป็นกลางเป็นมัชิมาจัดการอารมณ์ที่เป็นส่วนบุญก็จัดการเท่ากันจัดการอารมณ์ที่เป็นส่วนบาปก็จัดการเท่ากันจึงจะเรียก ว, ว่ามัชชิมา ถ้าเราไม่รู้จักจัด ก, การกับบุญกันก็มีคนว่าหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อเอาสุภาษิตบทนี้ของท่านหลวงพ่อพุทธาทานมาพูดในบางครั้งบอกว่าปาปุญญาปหี่นัตสะนิชชาตูปเทนิพุตูเมื่อถอนท่านบุญและบาปได้แล้วจักนิพพานะโยกเขาก็ว่า ว่าให้ท่านบุญสติรู้พอสันอ้าวจะไปคิดเจสันห้อสิบประเซลเกินแสนเลยสันมันเป็นสัตว์ประเซลไหมสัตว์ื่นบ่เประเสริฐแมีนส้างสอนอะไรนี่สอนอะไรแต่ยังเป็นอาภะสัตว์อยู่ว่ามีผู้ใดสีสามารถดูท่านเห็นท่านคือมันมีสัตว์ประเภทเดียวคือมนุษย์มนุษย์เกิดเป็นสัตว์แยกๆเขาเรียกว่าเวนยะสัพพสัตว์บ่มีนสัตว์อิรักันเนี่ยทีนี่เราจะต้องเข้าใจว่าทําเป็นกลางคือยังไง กับสิ่งที่เราเป็นคนดีจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมแต่วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนดีบางทีถึงกับลงแรงลงแรงกันไปเยี่ยมบ้านคนดีไปดูเอาเพื่อเอามาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าเขายกยอป่อพันว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนี่ถ้าคนประพฤติ ด, ดีก็มีสเสน่ห์ ไม่รู้ว่าใครต่อใครล่ะจะหลั่งไหลามาจากที่สานุทิศทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ผู้เป็นบ้านของคนนี้จะต้องลัดลัดแขกเรืออยู่ตลอดเวลาพอเขามาเห็นเขาก็อดชมไม่ได้อย่างการประพฤติธรรมนี่หากใครมาเห็น ถ, ถ้ามีมีโอกาสที่เขาเห็นอย่างนี้เขาจะต้องอดชมไม่ได้โอ้ยประพฤติธรรมนี่ พวกท่านเหล่านี้ท่านจะได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวงจริงๆหละมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีสำนักไหนไม่มีกลุ่มประพฤติธรรมกลุ่มไหนเงียบนิ่งมี่ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆคนที่เดินโยกมือพวกเดินโยกมืออยู่อย่างนั้นแหละคนที่สร้างจังหวะก็สร้างจังหวะอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีเอาเรื่องนอกแนวมาพูดคุยกันขมงโฉงเฉงนิ่งเหมือนหนึ่งว่าไม่มี คนเลยในเกาะพุทธธรรมในเกาะทับมิงควันคนอดชมไม่ได้โอ้ยขอส่วนบุญบ้างถือจากข้อจากแม่พอเขาเห็นเขาก็อดชมไม่ได้ในเมื่อในเมื่อมีคนแส่สองสาทุการกับการประพฤติธรรมของเราอืมสิ่งที่มันเป็นอิทธาลมันก็วิ่งมาเกาะมาจาับแล้วเป็นอุปสรรคต่อผู้ประพฤติธรรมวิ่งมาเกาะมาจาับ คำสรรเสริญเยนยอนพวกเขาพูดยกย่อป่อพันมาเส่แซงมาเส่แซงมามาอบอยมามามุทนากับการประพฤติดีของพวกโยมพ่อโยมแม่พวกพ่อแม่ก็หูเบืงจิตฟูขึ้นมาทันทีจิตฟูในเมื่อจิตฟูเราไม่เอาสติมาใช้งาน มันก็ผิดหน้าที่เขาว่าโยคาเวชาเยติผูริปัญญาจะเกิดถ้าเอาสติมาใช้งานแต่นี่เราไม่ได้เอาสติมาใช้งานบางทีก็เห็นว่ารู้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยเฉยเฉยนี่มันอะไรคล้ายๆกับว่าไม่เห็นสติเขาทํางานอย่างไรสติมาสติมันจะต้องถอนออกเพราะอารมณ์มันมีพิษสงอยู่ทุกอารมณ์ อารมณ์ดีกว่ามีพิษสมอย่างเขามาพูดให้เร า, าใจของเราฟูจนจิตของเราเอื้อาภัพทราบทราบหน้าชื่นตาบวานยิ้มย่องป่งใสในิจิตอีกใจฟูถ้าเราไม่ถอนออกเราเจะไม่ได้สัมผัสกับอารมณ์นี้ผ่านจิตก็เป็นทานอยู่อย่างนั้นแหละถ้าถอนออกไม่หมดไม่เกลี้ยงก็ยังทำฉีหน้าท่าทางเป่นหนงว่าไม่เคยโกรธใคร คนที่อยู่ใกล้ๆเจ้าของเสียงที่มันเอ่ยถึงืีอเสียงสเนีางนมโดยขาดความเคารพสมมุติว่ากระทาชาในายหนึ่งเขาพูดไม่ค่อยถูกหูใครหรอกเขาพูดกันแหนกันแหนคนนั้นคน น, น, ค น, นี้ดูถูกสบประมาทคนนั้นคนนี้อย่างนี้ อย่างมาสำนักปฏิญาณโอ๊ไม่รู้ว่าท่ากันอะไรเวิร์กพระเวิร์กพระว่ะวายกไม้ยกมือไม่รู้อะไรดูไปหนึเหมือนบ้าเขาวอะไรจิตใจกเหี่ยวหอ่อเท่าถอยเกิดปฏิฆาเกิดงูห ง, งิดเราก็ไม่ดึงเอามหาสติที่สะสมไว้มากๆลวกรวงไว้แล้วไม่รู้ว่าไปใช่ที่ไหนนั่รบความภาษาสดานี่แหละอาวุธที่ไม่ได้บม่ได้พายย่ำมอย่างบม่ได้ไ่ได้นักบาสนักไร แต่ว่าเอามาใช่างานวอการเอามาใช่างานกระไม้ถึงหายเห็นอารมณ์กาเห็นอารมณ์แล้วก็แสดงว่านักปฏิบัติท่านนั้นไม่ได้มองหนา้าออกไปไกลจะไปเบิ้ลเบิ้ลเจ้าของเสียงที่มันวอบ์วอร์เสียวอร์วอรอร่อยมันมักกัแน่กัแน่มักโประมาดมักเหยียดหยามเขาคู่แต่ขอบดูถูกคนอื่นจะสิจะไปเบิ้ลอารมณ์มันสิเข้มข้นรุ่นแรกถึงมาก ต้องกลับมาเบิกใจหลวงพวกโยศแม่รู้จักกลับมาดูตัวเองแม่ไม่ได้เอาตาเนื้อดูนะตาเนื้อเขาเรียกมังสะจักสุตาที่จะเห็นอารมณ์จะต้องปัญญาสติกับปัญญาเขาทํางานร่วมกันสติเขาก็ไม่ได้เก่งโดยลําพังเพราะว่าเขาอยู่กับเพราะสติมาเห็นอารมณ์แล้วลูกของสตินี่วิ่งมาทันทีเลย วิ่งมาให้เราเกิดบทบทสำนึกในหน้าที่เ อ, อสําสำนึกตัวเองนั่นแหละไม่ได้มองออกไปข้างนอกที่กูก็เป็นนักปฏิบัติธรรมยังไปขึ้นเสียงโถเสียงกับเด็กรุ่นลูกๆนีนน่คนอื่นเขาก็จะดูถูกดูแคลเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเราก็ทำหน้าได้ิริโอตะปะมันมาช่วย ฮิลินี่ก็ลูกคนหนึ่งโอตปาปก็คนหนึ่งแ น, น่นมาสองแล้วอืมเดี๋ยวขันตีก็มาเออทนหน้าดำกําเครียตก็ไม่เอาเลยเว้ยเมื่อต้องทําสีหน้าท่าทางให้มันแต่งขนาดนั้นอืไม่ทนลําบากไม่ทนตากดำไม่ทนหน้าดำกําเครียดถ้าถ้าถอนออกหมดกระทันหันแบบนั้นแหละถอนออกทันทีอยากให้ความโกรกเกียรเครียด คุณมายึดเอาใจเป็นฐานตั้งเพราะว่าจิตานุปัสนานี่เป็นผู้มีกุศลจิตเกิดความฉลาดอย่างใหญ่หลวงระวังจิตระวังใจเป็นนี่แหละพวกพระสจิทาคารีสจิทาคารีเขาก็อ่าถอดความมาจากบาลีว่าสจริงเขาแปลว่าข่าวเดียวไม่นานโกรธใครก็ไม่นานเพราะว่านักปฏิบัติท่านนั้นกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองแล้ว เกิดหิเกิดโอตรปะปาขึ้นมานี่มาดูปัจจุบันก็เห็นเลยทําให้หิิโอตรปะปาหลุดลอยไปอย่างเกลี้ยงจิตตอนนัก็เป็นไทยไม่เป็นทาสเหมือนประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไม่มีประเทศไหนมาบังคับให้เราออกรบ ก, ก็มีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยกคนขึ้นบุก ที่แถวอำเภอแกรงวาดเอาประเทศไทยเราไปลบนุ่นเข้าไปเจียงตงุงดอยเหมือนนุ่นไปตายกันเป็นแถวแถวสร้างทางรถไฟผ่านจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแหละในขณะที่เป็นธาตุเป็นอย่างนั่นแหละนี่จิตเป็นธาตุเป็นธาตุของโลภของโกรธนะถ้าโกรธถอนโกรธไม่หมดยังติดติดอยู่เดี๋ยวมันก็จะสั่งการออกมา ให้กรรมระเบิดออกมาเป็นกรรมที่สองคือวิจีกรรมด่ามาัิด่ามัสิด่าเร็วเร็วเดี๋ยวมันจะห้โกรธก่อนถ้าให้โกรธแล้วมันจะไม่ได้ด่าเขาความโกรธมันมาผลักดันให้เราด่าคนนั้นด่าคนนี้ออืว่าใจาที่หลุด อ, ออกมาจากปากก็เป็นวิจิตุจริตทันทีนี่ตาของเรามันแหลมคมเราเห็นกรรมที่มันก่อบอดมาในรูปของอารมณ์ออืเป็นเป็นการเห็นใจแล้วล่ะนี่ ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าก็มางโมกับ ม, มันโมกมนนั่นแหละ ท, ทั้งหลายอามีใจเป็นหัวหน้าก็ต้องรู้ใจว่าใจของเราเป็นหัวหน้าอืมีใจถึงกว่าสำเร็จใจใจถ้าใจไม่อดไม่กัน้นถ้าใจมันระเบิดออกมาแล้วเราก็ตายตายจากศีลจากธรรมเพราะฉะนั้นถ้าลูกก็ามาสวนเรือ่อยๆจึงเป็นจึงจะเป็น อาชัดตาทรรมนั่นไปร้อยเอกไปคุยกับคนร้อยเอกเขาบอกว่ายุคนี้มันยุบโลกาพิวัตรหลวงพอ่อมีอะไรเก่งกว่าโลกาพิวัตรมีหรือเขาว่าโลกาพิวัตรเขาว่าดีก็รู้กันทั่วชั่วกว็รู้กันถึงเขาว่าอยู่ฝากโลกทางใต้นู่น ล่มจมที่นาศมีคนล้มคนตายตั้งเยอะตั้งแยะเป็นแสนยังมีการรู้เห็นบอกข่าวข่าวมาถึงกันหมดมันขนาดนั้นนะหลวงพอ่อโรกาพิวัตหลวงพ่อก็อุยมันกว้างกว้างหลายมันก็ไม่ไหวธรรมะของเราอยากจะให้ดูตัวเองนี่แหละไปอันโลกภายนอกมันกว้างมันไกลเขาบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคำโครงโลกภายนอกกว้างไกลไกลใครใครูร้ โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บางไหมจะดูรอกจะดูโลกภายนอกมองออกไปมองด้วยตาเนื้อจะดูโลกภายในให้มองตุลมองกลับมาดูดูใจมันจะเห็นมันก่อวอดมาไหมมนโนกรรมเราตัดจําเราก็เอามหาสติเนี่ยเข้ามาใช้งานเขาเรียกว่าข้า อืลูกศรปาปูอุปจิเลสคาตะกูเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปจิเลฆ้าก็่าฆ่ามนุกับกรรมก่อนนะอืมฆ่าบาปฆ่าอุปจิเลนี่เราฆ่าเกลี้ยงฆ่าหมดฆ่าตายจริงๆ จ, จิตใจของเราตอนนั้นก็เป็นไทยเป็นไทยนี่เป็นสังขารไหมปลุกโยมพออยู่เมียไม่ใช่สังขารเลยแหละเป็นวิสังขาร ถ้าทำได้รู้จักขจัดปัดเป่ามุลทินทางใจออกอย่างเกลี้ยงให้หมดจดมุ่งงานจริงๆนี่จริงจะน่าชมส่วนแรงก็ไม่น่าอายส่วนแรงแรงว่าเต็นปะเลวิสังค่าราคาตังจิตตังตันห้านังกายยมฉกาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาดูสิ เขามองออกโลกภายนอกเขาว่าเขารู้หมดดีก็รู้กันทั่วชัวกว็รู้กันถึงแล้วหลวงพ่อหันหลังทิ้งโยม น, นี่หลวงพ่อจะพูดธรรมะพิวัตร น, นั่นไงหลวงพ่อคิดอะไรเห็นไหเนี่ยมีใครเห็นแม้แต่นักปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ให้รู้ให้เห็นในล่างของผู้อื่นเรื่องกินเรื่องใจเขาคิดเขาเน้นแล้วก็ไม่ได้สอนกันให้รู้ของผู้อื่น ในรูปของตัวเองเท่านั้นแหละดูเหมือนเขาจะตอบธรรมมาพิวัตรไม่ได้ธรรมมาพิวัตรนี่มันจะต่างจากโลกาพิวัตรของเรานี่ไม่มองไกลขนาดนั้นหรอกแต่ เ, เราก็จะได้ประโยชน์ที่สุดแหละจากการปฏิพฤติธรรมนักปราชญ์เขาเขียนเป็น าการเป็นกวนบางทีเราก็ได้ของเขามาเหมือนกัน เ, ออเราคิดว่าคนที่ทานหนังสือเราจถิถทีว่าให้ทำเป็นทานไหมไม่ใช่ให้ทำเป็นทานหรอกเป็นวัตถุทานถ้าเขาเอาประโยชน์จากหนังสือไม่ได้ก็ก็อย่างนั้นคล้ายๆกับว่าเขาทิ้งวัตถุทานเราไปหมดทิ้งลงไปในตะ ก, ก้าเลยกับะอาหารเหมือนกัน เราจะ ต, ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์นะให้ทำเป็นทางคงจะสู้พระครูบาอาจายมาชวนญาติโยมมาพาญาติโยมประบพืชกระทำอย่างนีนะ้ให้ทำเป็นทางสร้าให้เกิดความฉลาดนี่จริงจะถืีว่าให้ทำเป็นทางดังนั้นก็พากันให้ได้รับประโยชน์